สุกโตด้วยสาเหตุหรือเหตุผลที่หลากหลายแตกต่างกันบางคนก็แค่มาเที่ยวมาเห็นอะไรที่มันนะแปลกหูแปลกตาบ้างนะเพราะว่ามีการปากมนะุตรว่าวัดป่าสุขโตเป็นที่ท่องเที่ยวนะที่น่าสนใจเบื้องหลังเขานักเที่ยวก็มา แต่มาแล้วก็อาจจะไม่ได้ประทับใจอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ดึงดูดจิตใจเขามากจะมีเยอะหน่อยนะที่มาเพื่อทำบุญทำบุญก็มาใส่บาตรมาถวายจังหันถวายสังฆทานอนี้มาแล้วก็ได้ความปิติปราโมทย์ได้ความผ่องใสได้ความสบายใจ เสร็จแล้วก็นกลับไปกลับไปบ้านกลับไปใช้ชีวิตซึ่งก็คงจะเจอปัญหาต่างๆความสบายใจที่ได้ความปิติที่เกิดขึ้นก็อาจจะอยู่เพียงแค่ชั่วคราวแล้วก็ละลายหายไป มีน้อยหน่อยนะที่มาเพื่อจะพักผ่อนอาจจะมาค้างคืนไม่ใช่มาช่วงตอนเช้าก่อนฉันก็เดี๋ยวปราดาอย่างคนที่มาทำบุญมาพักก็อาจจะพักสักสองสมวัน 3-4 มวันแต่เจ้าจะให้ดีเนี่ยนะนอกจากพักกายแล้วก็ควรจะพักใจด้วย ถ้ามาพักกายอย่างเดียวก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่มักจะลืมไปว่าเนี่ยไอ้ที่เหนื่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหนื่อยกายอย่างเดียวมันเหนื่อยใจด้วยแต่ไม่เห็นไปเห็นแต่ความเหนื่อยกายงั้นพอมาพักพักงานไม่ได้ทำงาน แต่ว่าใจไม่ได้พักมาวัดก็อาจจะยังเปิดโทรศัพท์มือถือดูน่นดูนี่ไม่ได้ทํา ง, งานก็จริงนะแต่เห็นข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือหรือบางทีก็งุ่นอยู่กับโทรศัพท์มือถือเป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบนี้ใจก็ไม่ได้พักนะทีจริงสุก็โตเนี่ยนะมี อะไรที่จะให้กับเขาหรือเขาสามารถจะหาประโยชน์จากที่นี่ได้มากกว่านั้นไม่ใช่แค่พักกายหรือไม่แต่พักใจด้วยซ้ำก็มีคนนะอีกกลุ่มหนึ่งนะมาสุกโตอันนี้มายาวหน่อยมาเพื่ออะไรนะเพื่อหาความสงบ อันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าในการมาหาความสงบเนี่ยไม่ว่าจะมาเพียงแค่สีห้าวันมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือแม้กระทั่งมาเป็นปีเนี่ยในการจะมาหาความสงบเนี่ยอยู่ไปนานๆก็อาจจะผิดหวังได้เพราะว่า ความสงบที่มาสแสวงหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็หมายถึงความสงบจากสถานที่สถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนรวมทั้งวิถีชีวิตที่ไม่เร่งรีบไม่เหมือนในเมืองหรือว่าวิถีชีวิตที่ผ่านมา อันนี้ว่าช่วยน้อมใจให้เกิดความสงบได้จากความสงบประเภทนี้เนี่ยมันมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงเพราะว่าวันนี้คืนนี้ก็จะมีเสียงดังเสียงดังจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆมีมรดศบ มีงานแต่งงานเขาก็จะใช้เครื่องเสียงส่งเสียงดังแล้วก็ไม่ใช่งานแต่งงานอย่างเดียวนะงานศพด้วยบางทีเสียงดังตลอดคืนเลยมีภาาบางรูมนี่บุนหิดเลยนะทำไมเสียงมันดังอย่างนี้ เกิดความโหยเกิดความไม่พอใจแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าต้นเสียงนี่มันอยู่ในหมู่บ้านแต่บางทีเสียงมันก็ไม่ดังจากหมู่บ้านนะดังมาจากในวัดเสียงก่อสร้างเสียงคลอนเสียงเลื่อยบางทีเลื่อยไม้นี่เสียงดังเลยนะความสงบที่มีมันก็กระจเจรกระเจิง หรือแม้จะไม่มีเสียงดังลักษณะนั้นทั้งจากนอกวัดหรือจากในวัดแต่บางทีมันก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันหรือมีความขัดแยง้งกันกับผู้คนในวัดซึ่งก็ล้วนแต่มาหาความสงบแต่ก็อาจจะโดยไม่รู้ตัว ไปสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นกับคนรอบข้างหรือต่างสร้างความไม่สงบให้กับกันและกันอันนี้เป็นธรรมดามากเลยนะเพราะว่าที่ไหนมีคนเนี่ยมันก็ย่อม ม, มีเรื่องมีราวมีการกระทบกระทั่งเพราะนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน เคยมีหมอหนุ่มคนหนึ่งนะแขยันมากเลยนะทางงานหนักใ้เรื่องการดูแลผู้ป่วยจะให้ผ่าตัดนี่ทั้งวันทั้งคืนนี่ก็ก็ไหวนะแต่ที่แกทนไม่ค่อยได้คือว่าใ้ความขัดแย้งนะกับหมอด้วยกันเอง หรือปัญหาสารพัดจากพยาบาลจากเจ้าหน้าที่งานหนักไม่ว่านะแต่ว่าเจอเรื่องกระทกระทั่งหรือเรื่องผิดใจกันแบบนี้เนี่ยก็เกิดท่อขึ้นมาไปบ่นให้ไประ บ, บายให้แพทย์ใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้ า, าแผนกอ หมอใหญ่แนละ้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากนะแต่ว่าชวนหมอนหนุ่มเนี่ยเดินมาที่หน้าต่างนะแล้วก็มองลงไปข้างล่างมันเป็นสุสานนะสุสานะสสาที่สงบมากเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยตรงนด้นหละนะเป็นที่ที่ไม่มีปัญหาใดๆเลยนะข้างล่างนั่นนะ่ะ ถ้าไม่อยากเจอปัญหานี้ต้องอยู่ข้างล่างข้างล่างคืออะไรล่าคือสุสานเป็นที่ที่ไม่มีชีวิตเนี่ยไม่มีคนอยู่แล้วไม่มีคนเนี่ยมันจึงสงบแต่มีคนเมื่อไหร่นะมันก็ไม่สงบมันก็ต้องมีปัญหาแลวมันไม่ใช่เฉพาะในโรงพยาบาล แม้กระทั่งที่บ้านของตัวเองจราแใ่ที่มีคนมันก็ย่อมมีความไม่สงบเกิดขึ้นวัดก็เหมือนกันนะมันก็ประกอบไปด้วยคนไม่ใช่แค่สถานที่และแม้ทุกคนเนี่ยมาเพื่อปราถนาความสงบหรือมาเสาะหาความสงบแต่ว่า มันก็จะมีบางช่วงนะบางเวลาที่ผิดหวังเพราะว่าไม่เจอความสงบเพราะมันมีเรื่องขัดแย้งกันจริงจเนี่ยแมาจะไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะจากผู้คนที่มาอยู่เนี่ยเพียงแค่ปรารถนาที่จะมาแสวงหาความสงบเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะเรียกว่าผิดตั้งแต่แรกแล้วก็ได้เพราะว่ามาด้วย ความปรารถนาที่จะเสดที่จะเอาคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไปที่ใดเนี่ยเพื่อด้วยเจตนาที่จะเอาที่จะเสดเนี่ยนะมันก็ผิดพลาดตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวพาะมาเสดมาหามาสั่งความสงบเดี๋ยววัดธรรมาวัดเนี่ยนะเพราะว่าวัดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่ที่เราจะมาเป็นผู้ใฝ่เสดนะถ้าจะมาวัดเราต้องเป็นผู้ใฝ่ทํา ธรรมนี่คือทอทหารนะทอสัตธรรมถ้าคนเราฝ่ายเสพนะมันก็จะผิดหวังและเจอความทุกข์ได้ง่ายเพราะความจริงมันมีอยู่ว่าเนี่ยยิ่งอยากจะมาหาความสงบนะกลับไม่พบความสงบแต่พอไม่ปรารถนาความสงบนะกลับพบความสงบ ว่าคนที่มาภาวนาเพื่อจะสวงหาความสงบนะในจิตใจเนี่ยแล้วร้อยท่องร้อยเลยจะผิดหวังแต่เมื่อวางความอยากที่จะหาจะได้จะเสรความสงบนะมันกลับพบนะคนที่มาวัดเนี่ยเพื่อหวังความสงบเนี่ยก็ผิดหวังได้ง่าย แต่พอไม่ปราถนาความสงบนี้กับพรบนะไดมีผู้ชายคนหนึ่งนะเรียกว่าหลบลี้หนีภัยเนี่ยมาอยู่ว่าทั้งนี้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินที่หญิงหนี้สินที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าถูกโกงก็เลยไม่มีเงินไม่มีเงินก็เลยไม่สามารถจ่ายหนี้สินตามกําหนดได้ ถึงเวลาต้องจ่ายนิสินตามกำหนดแล้วก็ไม่มีปัญญาเจ้านี้เขาก็เอาเรื่องเจ้าตัวเลยไม่รู้จะไปไหนก็หลบมาที่วัดตามคำแนะนำของพี่สาวพี่สาวก็ไม่รู้จักวัดป่าสุกโตแต่ว่าเห็นว่ามันไกลดีผู้ชายคนนี้นะนะแต่ก็ต้องทิ้งภรรยาแล้วก็ลูกเล็กไว้ที่กรุงเทพนะไม่ได้ตั้งใจ จะมาวัดเลยแต่จำเป็นแอ้เราว่าเนี่ยใหม่ๆเนี่ยทุกวันเลยนะร้องไห้นึกถึงลูกแล้วก็ร้องไห้เพราะว่ามันเหงานะชีวิตในเมืองต้องมาอยู่วัดเนี่ยแต่ก่อนที่เขาอยู่หอไตรนะหอไตรนี่มันสมัยก่อนยี่สิบปีที่แลนี่มันไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่เหงาเคร่งคว้าง สมัยก่อนโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีจะไปโทรศัพท์หาลูกก็ต้องไปถ้ามาไฟโทรศัพท์ทางไกลอยากจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้อยู่วัดก็อยู่ด้วยความทรมานแต่อยู่ไปอยู่ไปนะเออกลับชอบนะวันวันก็ไม่มีอะไรทำมากก็กว่าใบไม้ถูศาลาทำไปทาไปจิตใจไม่เริ่มสงบสุดท้ายนะก็ขอบวชนะ ขอบวชให้ความห่วงลู้ความอะไรในลูกนี้ก็ลดบรรเทาไปเยอะเลยจิตใจมันสงบชอบวิถีนักบวชเลยขอบวชอันนี้เรียกว่าไม่ได้ปรารถนาความสงบเลยนะแต่ว่าพบความสงบในการที่หลายคนที่ปรารถนาความสงบมาแสวงหากลับไม่พบนะเพราะอะไรที่เราอยากจะหา อยากจะได้เนี่ยมันมักจะผิดหวังเพราะว่าความอยากมันทำให้เราได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้สึกเต็มอิ่มนะอันนี้นเป็นธรรมชาติของตัณหาเ้าจริงๆแล้วเนี่ยความสงบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องหานะมันเป็นเรื่องที่ต้องทำต้องทำให้เกิดขึ้นในใจของเรา ใครก็ตามที่แสวงหาความสงบเนี่ยแม้จะพบแต่ก็สมหวังชั่วคราวแต่ถ้าเราตระหนักว่าความสงบเป็นสิ่งที่ต้องทำและทำให้เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็หมายความว่าถ้าเรา ตั้งใจจะมาอยู่วัดเนี่ยเราเปลี่ยนจากการมาหาความสงบนะมาเป็นการมาฝึกตนอันนี้จะได้ประโยชน์จากวัดหรือจากสุโตมากกว่าแราวมันก็ต่างเลยนะมาหาความสงบกับมาฝึกตนเนี่ยเพราะเมื่อตั้งใจว่าจะมาฝึกตนเนี่ยมันก็หมายความว่าพร้อมที่จะเจอกับความ ไม่สมหวังพร้อมที่จะเจอกับอุปสรรคพร้อมที่จะเจอความยากลําบากพอขึ้นเชื่อฝึกตนแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าแต่ฝึกใจเลยแค่ฝึกกายเนี่ยเช่นออกกําลังกายเนี่ยโอ้โหมันมันเหนื่อยมันต้องดินน้นหล่นมันต้องต่อสู้กับตัวเองหรือว่าจะออกกําลังกายเลยนะมาฝึกให้ตื่นเชา้ามาฝึกให้ สู้กับความหนาวเนี่ยก็เป็นการฝึกตนอย่างพวกเราที่ตื่นมาเช้าๆมาทำว้านนี่จะรู้เลยนะในช่วงนี้เนี่ยมันต้องสู้กับตัวเองมากนะกว่าที่จะลุกขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็มาทำว้าถ้ามาหาความสบายเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นแล้วถ้าจะมาหาความสงบเนี่ยที่จริงสถานที่อย่างรีสอร์ทเนี่ยมันให้ได้มากกว่า แต่ถ้าเรามาเพื่อฝึกตนนะไม่ทำให้เราคาดหวังอีกแบบหนึ่งก็คือว่าพร้อมที่จะเจอกับอุปสรรคแล้วก็รู้ว่าความยากละบากเป็นเรื่องธรรมดาแล้วการฝึกตนเนี่ยทีส่สำคัญอย่างนี้ก็คื อ, ค อ, ค อ, คอคา ก, การฝึกใจแล้วการฝึกใจถ้าเราฝึกได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะเจอความสงบ ที่พบได้นะกลางใจของเราเป็นความสงบที่ไม่ได้เกิดจากการหาแต่กเกิดจากการทำเกิดจากความเพียรและนี่เป็นความสงบที่มันยั่งยืนกว่าเพราะเหตุว่าเมื่อกี้ได้บอกว่าเนี่ยที่ใดมีคนเนี่ยมันก็ย่อมมีปัญหามีความขัดแย้งก็คือเกิดความไม่สงบขึ้น แต่จริงเนี่ยมันยังไม่ถูกนะมันต้องพูดว่าที่ใดเนี่ยยังมีตัวผู้คนยังมีตัวมีตนยังมีกิเลสอยู่เนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยก็จะยังไม่พบความสงบเพราะไอ้ตัวตนหรือกิเลสเนี่ยนะมันเป็นสาเหตุหรือตัวการที่ทำให้เกิดความไม่สงบในใจขึ้นมามันทำให้พอมีอะไรมากระทบใจก็รู้สึกกระเทือนขึ้นมาเลย แค่เจออากาศหนาวเจออากาศร้อนเนี่ยใจก็ไม่สงบแล้วทั้งๆที่อยู่คนเดียวในกุตติเพราะความไม่สงบเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงมีเสียงดังอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงความรู้สึกทุกข์นะความรู้สึกขัดแย้งในใจด้วยน่าแต่อที่คนเราเนี่ยยังมีกิเลสยังมีความยึดในตัวตนเนี่ย มันไม่มีทางที่จะพบความสงบในใจได้เลยแม้อยู่คนเดียวก็ตามอันนี้เราก็คงจะทราบดีนะอยู่คนเดียวในกุติก็ยังทุกข์ก็ยังว้าวุ่นก็ยังวุ่นวายเพราะใจมันคิดโน้นคิดนี่สารพัดดันถ้าเราเข้าใจว่าเนี่ยเรามาที่นี่เนี่ย เ, เพื่อฝึกตนไม่ใช่มาหาความสงบไม่ใช่มาหาความสบายเราจะ เห็นว่าเนี่ยไอ้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากผู้คนจากใครก็ตามเนี่ยมันเป็นแบบฝึกหัดสำหรับการฝึกใจของเราเช่นฝึกให้มีความอดทนฝึกให้มีความรู้จักปล่อยรู้จักวางฝึกให้มีการรู้จักให้อภัยและที่สำคัญคือว่ามันมาฝึกให้เราเนี่ยและมีสติต้องใช้การอยู่วัดเนี่ยมาเป็น โอกาสเพื่อการฝึกตนเอาเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อมาฝึกใจของเรานคนที่หมาความสงบเนี่ยพอเจอปัญหาจากผู้คนก็จะบ่นวอยวายตีโพ ต, ตีพายแต่คนที่มาเพื่อฝึกตนเนี่ยเขาจะเห็นปัญหาเหล่านี้มาเป็นบทเรียนเพื่อฝึกใจของเราซึ่งสุดท้ายก็จะพบว่าเหตุแห่งความไม่สงบที่แท้เนี่ยมันไม่อยู่ที่ข้างนอกไม่อยู่ที่ผู้คนแต่อยู่ที่ใจเรา แน่นอนนะใหม่ๆเนี่ยเราต้องอาศัยความสงบของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพื่อส่งเสริมการฝึกตนโดยเพราะการฝึกใจก็เหมือนกับนักเรียนนักเรียนใหม่ๆเนี่ยก็ต้องใช้ต้องการบรรยากาศที่สงบถ้าในถ้าในห้องเรียนมีเสียงดังนักเรียนก็คงไม่มีสมาธิในการเรียนแต่พอเด็กมีความรู้ถึงจุดหนึ่งเนี่ย เช่นรู้จักคำนวณรู้จักคิดเลขรู้จักสูตรคูณเนี่ยแม้อยู่กลางตลาดเสียงดังก็สามารถคำนวณเลข เ, เวลาซื้อของได้เสียงดังยังไงนะก็ยังคำนวณได้นะ 9, 8, นะ 9, 7, 63, นะเก้า9ิบสนะเนะเพราะว่าเพราะว่าความรู้มันอยู่ในใจแล้วเช่นเดียวกันนะอ่า ใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องการความสงบของสถานที่เพื่อใช้ในการฝึกตนแต่เราฝึกตนเพื่ออะไรฝึกตนเพื่อที่เราจะได้สามารถจะรักษาจะให้สงบได้แม้ว่าเสิ่งแวะลมมันจะวุ่นวายเสียงมันจะดังจะมีผู้คนมากระทบกระทั่งไม่ว่าโดยการกระทำหรือคำพูดใจก็สงบได้ ถ้าทำแบัน้น ไ, ไม่ได้เนี่ยจะมีปัญหานะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราทุกคนจะต้องเจอความไม่สงบที่เกิดกับกายและความไม่สงบที่เกิดกับใจความไม่สงบที่เกิดกับกายคืออะไรนะคือความแก่ความเจ็บความป่วยไอ้ตอนที่ยังหนุ่มยังสาวตอนที่ร่างกายยังปกติอยู่นะเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีปัญหาอะไร ทุกอย่างโอเคราบรืน่นแต่พอเริ่มแก่ชาราพอหรือพอเจ็บป่วยขึ้นมาจะรู้เลยนะมันเกิดความไม่สงบขึ้นกับร่างกายของเราแล้วแล้วถ้าเราไม่รู้จักฝึกใจให้พบความสงบหรือสร้างความสงบในใจของเราเนี่ยเราก็จะไม่มีวิชาที่จะรับมือความไม่สงบที่เกิดกับกายได้เลยซึ่งนับวันก็มีใจจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น ตามอายุนะไอ้ตัวนี้แหละนะที่มันจะก่อปัญหากับเราอาจจะยิ่งกว่าคนที่อยู่แวดล้อมเราเพราะแม้คนที่อยู่แวดล้อมเราก็ดีพูดถูกใจเราทุกอย่างแต่สุดท้ายเราก็ไม่สงบเพราะกายเนี่ยมันก่อความปนเปื้อนนะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น ก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนในจิตใจและก่อนที่ความปั่นป่วนหรือความไม่สงบจะเกิดขึ้นกับกายน ะ, อะไอ้ที่แน่ๆคือความไม่สงบที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าเป็นคนแก่คนชราถ้าเราไม่รู้จักฝึกตน เพื่อรู้จักพบหรือสร้างความสงบให้เกิดขึ้นกับใจของเราแล้วเราจะรับมือนะกับความไม่สงบที่เกิดขึ้นกับกายและใจหรือเกิดขึ้นกับรูปกับนามได้อย่างไรเราจะมีวิชาในการรับมือกับความไม่สงบหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายและใจได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็อาศัยจากการที่เราเรียนรู้ที่จะวางใจที่ถูกต้องนะเวลามันมี ปัญหาเกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเสียงดังอากาศหนาวหรือการกระทำและคาพูดของผู้คนที่ไม่ถูกใจงนั้นถ้าเกิดว่าเรามาถ้าเราตั้งจิตว่าเนี่ยหรือเจตนาว่าเนี่ยเรามาวัดมาอยู่วัดเพื่อมาฝึกตนนะ อ, อันนี้เราจะได้ประโยชน์นะจากการอยู่วัดมากแต่ถ้าเรามาวัดเพราะด้วยความหวังว่าจะมาหาความสงบเราจะผิดหวังหลายคนพออยู่ไปนานๆทําไมวัดไม่สงบนะ มันเป็นอย่างนี้นะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยนี่พอาะเขาตั้งจิตหรือตั้งเจตนาไม่ถูกนะอาจจะมีประโยชน์ชั่วคราวนะเราก็ต้องถามตัวเองว่าเรามาวัดเพื่ออะไ ร, รามาอยู่วัดเพื่ออะไรเพื่อมาหาความสงบหรือเพื่อมาฝึกตนท่้าคิดว่ามาวัดเพื่อมาหาความสงบนี่ต้องก็ควรจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนมาเพื่อมาวัดเพื่อฝึกตนเพราะนั่นจะทให้เราได้ประโยชน์จากการอยู่วัดมากกว่า และทําให้เราเนี่ยมีวิชาถ้าเราฝึกตนได้ถูกต้องเนะีเราก็จะมีวิชาในการที่จะรับมือความไม่สงบที่เกิดขึ้นกับกายและใจหรือที่เกิดขึ้นจากกิเลส ข, ของเราอันนี้ต่างหากนที่ที่ทําให้เราถ้าเรารับมือมันได้จัด ก, การกับมันได้เราจึงจะเรียกว่าเข้าถึงความสงบนะที่แท้จริง